ที่เชตวันพระเจ้าเปเสนทิโกศ น, นี่ก็เป็นคนที่กินจุนะตัวก็เลยอ้วนเวลาไปเฝ้าพระเจ้าก็กราบก็อึดอัดนะนั่งก็อึดอัดเวลาเดินนะก็เดินไม่สะดวกก็เลยปรารถนเรื่องนี้กับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยแนะนำนะก็จัดเป็นคําถอนคําสอนสั้นๆนะเพื่อแก้ปัญหานี้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 คำแนะนำของพระพุทธเจ้าซึ่งตัดเป็นคาถานะสั้นๆแค่นีน้แล้วก็เอาไว้ท่องให้พระเจ้าปเป็นที่โกศลสนเวลาสเสวยพระกยาหารเพราะว่าเวลาสเสวยอาหารเนี่ยนะอาหารอร่อยนี่นะก็ลืมตัวแต่พอมาหารเล็กอ่สวดหรือว่ากล่าวคาถาของพระพุทธเจ้า พระเจ้าปเสนธิโกศลก็ได้สตินะแล้วก็กินน้อยลงก็ปรากฏว่าไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะพระเจ้าปเสนทิโกศลก็น้ำหนักก็ลดนะเดินเหินก็สะดวกนะเวลาไปนั่งเวลาจะยืนก็ไม่มีความอึดอัดวันหนึ่งก็เลยไปฟ้าุทธเจ้าแล้วก็รายงานผลว่าเนี่ยที่พระเจ้าได้แนะนำนี่มีประโยชน์มากเลย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 เมืองจีนเนี่ยซึ่งพึ่งพ่งรวยมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะตอนนี้คนอ้วนก็มีมากขึ้นแล้วก็โรคก็ตามมานะพอโรคตามมาแล้วก็เวทนาก็กำเริบก็ไม่อายุยืนแล้วนะแก่เร็ววิธีแก้นั้นก็มีนะง่ายๆอย่างที่พระเจ้าตรัสนะก็คือว่ามีสติโดยเพพาะในเวลากินอาหารรู้จักประมาณในการบริโภค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 เกาหลีญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารเม็กซิกันอาหารอเมริกันมากันเรื่อยๆนะแล้วพวกนี้นก็ล้วนแต่เป็นอาหารที่เนื้อนมไข่เยอะมากโนะดวยวาอาหารทางตอนตกมีคนจำนวยไม่น้อยนะรู้สึกเป็นทุกข์กับเรื่องนี้นะห้ามใจไม่อยู่แล้วทํำยังไงนะก็อาศัยตัวช่วยนะอาศัยกินยาบ้างแล้ว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 วิธีเหล่านี้ก็อันตรายก็เลยไปหาทางออกใหม่ๆอย่างที่เคยเล่านะเมื่อเ ร, เร็วนี้ก็มีข่าวนะส า, าวอเมริกันนี่มีความทุกข์กับโรคอ้วนมากห้ามใจก็ห้ามไม่อยู่นะกินยาลดความอ้วนก็ไม่ดีโดูไขมันก็แพงก็กินพยาธ ด, ดีกว่านะพยาธ ต, ตัวตื่น พยานได้ไม่เอานะมันเล็กไปน้องพยาตัวตืดเพราะว่าเห็นไปเห็นคนนี่มีพยาแล้วตัวผอมเพรียวก็เลยไปหาพยาดมาต้องซื้อนะต้องไปซื้อเอามันมีขายนะอินเทอร์เน็ตขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นแคปซูลนะกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวพยา่ก็ไปบานในท้องแล้วก็ออกลูกออกหลานหมอนี่ยก็เพิ่งรู้นะหมอเพิ่งรู้เขาก็ตกใจโอ้ไอ้นี่มันอันตรายนะ มันเป็นโทษต่อร่างกายมากผ้าใยเนี่ยพอเพือตายได้นะพอเป็นข่าวนี่ปรากฏว่ามันก็เลยเป็นที่แพร่หลายกันก็มีข่าวอื่นๆเกิดขึ้นมาตามมาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ที่อเมริกาอย่างเดียวนะฮ่องกงนี่ก็คนฮ่องกงนี่ก็กินกินผ้าใยเพื่อความอ้วนเยอะเลยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ประหลาดมากแต่มันก็แสดงถึงความอ่อนแรงคนสมัยนี้นะว่า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 ออกกำลังกายมันก็ลดความอ้วนไปได้ในตัวแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นหรือว่าใช้ใช้กำลังใจที่เข้มแข็งหรือใช้สตินี่ในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการอดกลั้นต่ออารมณ์ต่างๆนะไม่หวั่นไหวไม่ใจกระเพื่อมต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญคำดินทานะประโยชน์มันเยอะนะมันมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเร า, เาใช้วิธีอ่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 ก็ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่จากการเสพนั้นไม่ใช่ว่าเสพไปแล้วได้ความอร่อยแต่ว่ามันเกิดเป็นโทษตามมาสุดท้ายก็ไปหาทางออกที่เป็นโทษยิ่งกว่าเดิมนะเช่นไปกินยาลดความม่วนไปกินพยาธิพวกนี้นี่นโทษนี่มันมากกว่าคนณชะอีกนะก็นี่ถ้าใครรู้สึกว่าอายุวัฒนธรรมมันเยอะไปนะ5ข้อเอาข้อเดียวก็ได้คือรู้จักประมาณในการบริโภค ซึ่งต้องจะทำได้ก็ต้องมีสติเข้ามากํากับด้วยนะถึงจะทำได้ดีทำได้ต่อเนื่องแล้วก็เตรียมรับพร